เวลามีญาติโยมมาหาตมาก็จะมีคาถามหลายคำถามจากญาติโยมคำถามส่วนใหญ่เนี่ยตอบไม่ยากนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคำถามมันง่ายนะบางคำถามนี่ยากแต่ตอบง่ายคือตอบว่าไม่รู้นะหรือว่าขอไปค้นคว้าขอไปศึกษาดูก่อนนะแต่มีบางคำถามนะ ที่ตอบยากคำถามประเภทว่าเนี่ยพระอาจารย์จาโยมไดไหมตอบยากนะที่ว่าตอบยากก็เพราะว่าส่วนใหญ่จําไม่ได้แต่ถ้าจะตอบไปว่าจําไม่ได้โยมก็อาจจะรู้สึกเสียหน้าเสียความรู้สึกนะแต่ถ้าไปบอกว่าจําได้มันก็เป็นมุสามันก็เลยตอบยากนะ ถ้าจําได้นี่ก็ตอบง่ายนะแต่ว่าส่วนใหญ่หรือหลายครั้งนี้จําไม่ได้สุดท้ายก็ต้องขอโทษขอโพยนะัแล้วก็บอกว่าจําไม่ได้จริงๆนะแล้วพอซักไซไล่เลียงว่าเนี่ยเคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือเคยเจอกันเมื่อไหร่นะบางคนก็บอกสี่ห้าปีที่แล้วนะจะมาไปบรรยายที่ทํางาน ของโยมแล้วก็ก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยว่าแบบนี้นี่จำยากนะเพราะว่างานแต่ละงานนี่แต่มาก็พบญาติโยมเยอะและหลายคนก็เจอกันประเดี๋ยวประดาวบางคนเนี่ยพอถามว่าเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะบอกเมื่อสามสิบปีที่แล้วโอ้ยยิงจำไม่ได้ใหญ่เลยนะ เพราะว่าไอ้เจอกันเมื่อ3าสิบปีที่แล้วนี่มันก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนะอาจจะไปเจอกันที่นั่นที่นี่นะคำถามแบบนี้นี่จึงบอกว่าตอบยากนะแล้วก็พอตอบไปตามความจริงญาติโยมก็บางทีก็เสียหน้านะเพราะคาดหวังว่าอาจจะจำได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเป็นเพราะวัยด้วยนะแล้วก็เนื่องจากปีๆหนึ่งเนี่ยเจอคนเยอะนะอาจจะไม่ใช่เป็นร้อยเป็นอาจจะเป็นพันนะนั้นจะให้จําได้ทุกคนนี่มันยากก็พอตอบความจริงไปหลายคนก็รู้สึกเสียความรู้สึกก็มีนะหรือว่าเสียหน้าก็มี ก็เลยไม่อยากจะตอบนะแต่ถ้าตอบก็ต้องขอโทษขอโพยไปที่จริงคำถามแบบนี้เนี่ยนะผมไม่ใช่เพราะอัตมานะที่เจอนะนะครูบาอาจารย์หลายท่านก็คงเจอคำถามแบบนี้แล้วคงจะรู้สึกเหมือนอัตมาคือตอบยากนะได้จริงไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์นะคนป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สูงวัยแก่ชารานะ รักษาตัวที่โรงพยาบาลบางทีก็อาการก็หนักความจำก็ไม่ค่อยดีก็มักจะเจอคำถามแบบนี้นะจากคนที่มาเยี่ยมป้าสมอนจำผมได้ไหมคนไข้จำนวนมากเจอกำถามแบบนี้นะแล้วก็อึดอัดใจเพราะจำไม่ได้จริงๆนะเพราะนอกจากแก่ชาราแล้วก็ยังป่วยด้วย ผู้ดูแลหลายคนเนี่ยนะเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สงสารคนป่วยผู้รู้หลายท่านก็เลยแนะนำผู้ที่ไปเยี่ยมว่าเนี่ยเวลาจะไปเยี่ยมคนป่วยนะโดยพ่อผู้เฒ่านี่อย่าถามแบบนี้เลยนะถามอย่างอื่นดีกว่านะเพราะว่าคำถามอันนี้ คนไข้จำนมากตอบยากแล้วก็อึดอัดใจแต่ว่าก็มักจะเจอคำถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ไปเยี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยว่าอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นหเหตุผลเดียวกันกับที่หลายคนมาถามามาตมานะพอกราบเสร็จก็ถามว่าเนี่ยจโยมได้ไหม เหตุผลอาจจะไม่มีอะไรมากนะก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการสนทนาว่าอย่างไรหลายคนพอไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีจะถามว่าเป็นยังไงนะก็อาจจะเห็นใจคนไข้ว่าเน่ยคําถามนี้เจอมาเยอะแล้วตอบซ้ำซากและต่อไปแต่ละครั้งนี่บางทีก็ตัวเองก็ไม่สบายใจเพราะว่า พูดไปแล้วเนี่ยคนมาเยี่ยมก็รู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นพ่อการไม่ดีขึ้นหลายคนก็มีเหตุผลนี้นะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก็เลยถามคำถามที่เป็นมาตรฐานเลยนะป่าสมอนจำผมได้ไหมจำหนูได้ไหมถ้าจใจดีนะถามแบบนี้ดีกว่าป่าสมอน จำผมได้ไหมผมสมชายไงล่ะนะเป็นลูกศิษย์คุณป้าที่ธรรมศาสตร์ถามปุ๊บก็แนะนำตัวไปเลยนะอย่างนี้เนี่ยพอเจอแบบนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยตอบได้สบายใจเลยนะอ๋อจำได้นะเพราะว่าคนถามคนมาเยี่ยมเนี่ยแนะนำตัวเรียบร้อยวว่าชื่ออะไรนะ เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยตรงไหนหรือไม่ก็บ้าสมอนไก่ไมาเยี่ยมนะอ่านี่นี่น ะ, ะสบายใจเลยคนคนไข้ไม่ต้องคิดทบทวนว่าจะตอบอะไรแต่บางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนมาเยี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะ ถามอะไรหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้ธรรมดางคนเราเนี่ยมันก็อยากให้คนเนี่ยจดจำได้นะโดยเฉพาะคนที่ตัวเองเคารพนับถืออันนี้ก็เป็นธรรมชาติของอัตตานะอัตตาเนี่ยหรือตัวอัตตาหรือว่าตัวตนเนี่ยมันมันไม่เพียงแต่ อยากจะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่ว่ามันปรารถนาการยอมรับและการได้รับความสําคัญถ้ามีคนจําเราได้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เราเคาอพนับถือเนี่ยมันก็รู้สึกอัตตาพองโตนะว่าฉันเป็นคนสําคัญนะอันนี้มันก็อนจะเป็นเหตุผลก็ได้นะที่ทําให้หลายคนเนี่ยปรารถนา หรืออยากจะได้รับการยืนยันว่าเนี่ยฉันเป็นที่จดจำของครูบาอาจารย์ได้หรือว่าของผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อา ต, ตาเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ปรารถนานการยอมรับหรือว่าการได้รับการจดจำไม่ใช่ในยามที่มีชีวิตยอยู่นะบางทีแม้กระทั่ง ตายไปแล้วเนี่ยก่อนจะตายนี่ก็ยังปรารถนาให้คนจดจำมีนายฐานคนหนึ่งนะแกเล่าว่าเนี่ยเคยไปทำสงครามไปสู้รบ <im> <qualc> <grandpa> แล้วก็ถูกล้อมโดยฝ่ายตรงข้ามทำท่าจะไม่รอดแล้วเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในสนามเพาะด้วยเนี่ยก็ทำใจนฝากลูกฝากเมียไว้มาเนี่ยถ้าฉันตายแล้วเธอ แกรอดเนี่ยช่วยดูแลลูกเมียด้วยนะแล้วก็พูดทิ้งท้ายประโยคนึงนะถ้าฉันตายอย่าลืมฉันนะน่าคิดนะถ้าตายไปแล้วนี่จะไปนสนใจทำไมว่าฉันจะเป็นที่จดจำหรือไม่แต่คนเราเนี่ยนะปรารถนาการเป็นที่จดจำไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่มีชีวิตอยู่นะแต่ว่าตายไปแล้วเนี่ยอันนี้พ่ อ, อไหลมันเป็นธรรมชาติอัตตานะต้องการ เป็นที่ยอมรับและต้องการให้ตัวตนนี่มันมีความสืบเนื่องคนเราเนี่ยกลัวการดับส่วนของตัวตนแต่ถ้าอะไรที่ทำให้มั่นใจหรือเชื่อว่าตัว ต, วตนจะสืบเนื่องไปได้เนี่ยมันก็รู้สึกโล่งใจนะถึงแม้ว่ารู้ว่ากำลังจะตายอยู่นะแต่ว่าเออมันก็ตายแต่ร่างนะตายแต่กายนะแต่ว่ายังเป็นที่จดจำของผู้คน มันก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวตนยังมีความสืบเนื่องอันนี้เราเอาตัวตนไม่ได้มาฝากไว้กับร่างกายกัแต่ฝากไว้กับชื่อเสียงหลายคนตายไปแล้วเนี่ยหรือก่อนตายเนี่ยถ้ารู้ว่าเนี่ยชื่อเสียงฉันจะเป็นที่จดจำหรือว่าตัวฉันจะเป็นที่ะระลึกนึกถึงของผู้คนเนี่ยมันก็รู้สึกพร้อมจะตายได้มากขึ้นอันนี้เป็นปรงความปรารถนาของตัวตนนะอยากเป็นที่ยอมรับ อยากเป็นที่จดจาเพราะการจดจาไม่ใช่ในตอนที่มีชีวิตยอยู่นะแต่จดจาหลังตายนี่มันก็ทำให้เชื่อว่าเนี่ยมันจะมีตัวตนสืบเนื่องเพราะลึกๆ ต, ตัวตนเนี่ยมันต้องการความเป็นอมตะนะแตตายก็ตายแต่ร่างนะแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นที่สืบเนื่องต่อไปอย่างที่มีคาพูดเ่ตัวตายแต่ชื่อยังตัวตายแต่ชื่อยัง ก็หมายว่าตายแต่ตัวนะแต่ว่าชื่อเสียงกิตยิยศเนี่ยยังคงอยู่อันนี้มันก็เป็นตัวตนในความรู้สึกของหลายคนนะที่อยากจะให้มีความสืบเนื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความความคิดนะเป็นความปรารถนาแต่ไม่ใช่ความจริงหรอกเพราะว่าคนเรานี่นะนอกจากมันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็องย่อมถูกลืมเมอนยังคา ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายก็ยอมถูกลืมเพราะมันไม่เที่ยงนะชื่อเสียงก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉนั้นเนี่ยอย่าไปปราถนาความยังดีของตัวตนหรือว่าอย่าไปปาถนาการเป็นที่จดจําเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยก็ยอมถูกลืมเลือนไปนะไม่ใช่เฉพาะในตอนที่ตายไปแล้วเฉะนั้นบางทีอาจจะถูกลืมเลือไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายก็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้ารู้เชนนี้แล้วนีก็อย่าไปก็ให้รู้เท่าทันนะตัวตนความป่าขนางตัวตนแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมันมากแล้วก็เรียนรู้ที่จ ะ, ะทำตัวตนให้เล็กลงใครจะจำเราได้หรือจาไม่ได้ก็ไม่สำคัญอยู่ที่การทำความดนะีการได้เข้าถึงสาระที่แท้ของชีวิตอันนี้สำคัญกว่า